อนาปติวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัษฎคือ8ป1ร้อยหนพิกณีถอนคนเพราะอาพาธเป็นเหตุ 2. องพิกณีวิกลจริต3ามพิกณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่2จบ